แต่พิรุธของค้าโลกชาพุทธนอกจากมีของฟองถิงนถิ่นหาภพจิง้งการเป็นภาพฟองเพความประพฤติจิ้นท่านหลับสมมุติให้การบวดจั้ระมพร้องในการประพฤปฏิบัติเป็นเหตุห่นขาดสรทาความเพื่อประการใส่ปีนาและอาใจต่อผู้ทีทอ่อยู่ไมยินทยาทิพย์แปลงออกของาเรองนี้ในวัด กรอนตร อ, นองทำความประพฤติไม่เอ่ยรงไปตามหลักธรรมอลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอเป็นสิ่งที่จะทำเพของมก็ให้แนบกันกหรือแนบแ น, บน่นลงไปโดยลำหน่อยอันก็พาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานสิกขาภาวนาเป็นจริงสิ่งจำเป็นของพระแท้เี่กว่าเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักคารวะที่ เดีวเขาเรื่องการทามาหาแล้วหาเรื่องที่เป็นงานจําเป็นของเขาตลอดวันต่อเพราะถ้าข า, ารมีความต้องต้องการตลอดเวลาไม่ทํางานไม่ได้มีอะไรก็อยู่จะกินก็ตายทั้งหมคนเราเพราะฉะนั้นงานก็เป็นของจําเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกต้องต้องการตลอดเวลาในสิ่งยายาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่คือเครื่องมือหนุนถ้าการเป็นไปทางของตลางพวกนี้งานจะเดินเมตตาส่วน เปงานจำเป็นตลัดชีวิตของข้าจากพลังดานงานของตนทะเลจะไหลไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานหรือหาเก่าที่ไม่คันสหลอกปอกเปิดที่คันไม่ยอมเก่าก็ไม่หายคันอาวุธจากรเป็นตรงสอนไม่อย่างชัดเจนบงบอกทัศตั้งแต่วันเริ่มบรรดาชาวสย้มหมด บอกงานให้เลยเจ้าลง ม, มานาก่าดันตาดันตาแตจูแตจดันะะมมาตานั่าโดมาเจ้าเออลงไปดีรมคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการควบควนให้ลเอียดร่ออย่างการพิเดน่ะเจศาเป็นเช่นไรผมก็มิยมผมชอบกันมากเป็นของสวยของงามตามความสมมติของมิยม เป็ น, ป น, ปนตามความคุมคุณนยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสมวิเลศธนาสวัสดิ์น้ำชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับกรลปัดประวดทรงข้างอันที่เป็นหน้านี้เป็นของไม่สวนไม่งนามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกรปรกเกิดในที่โสกโผกเป็นอยู่ในความโสกรปรลกตลอดเวลาต้องเช้าต้องล้างไม่เช้าไม่ล้างไอะไร คนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในถ่วยในานอาหารยังขยะขยะไม่อยาลักทางอริยเจ้าทรงสอนให้ดูโลมาเรืสาโงมามีลักษณะคล้ายคืนกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นกะบเพียงมากคนโรมาดูห่างๆไม่เหมือนผมทิ่อยู่กันเป็นกลุ่มบนที่สัต์ มำคัที่เจอมานะเล็บดูดีที่เก็บสิ่งโ ส, สโคกโสโคกได้อีกนอกจากฐานสถานที่เกิดที่ดีตลอดถึงตัวของเล็บเองก็เป็นของสโรต้องแกะตรงตัดต้องเต้องล้างเพมีของโสโปกเขาเ้าไปแคร่นี้อตายเล็บนี้ไดอีก ลันเล็บยาวๆแล้วนั่ น, น, น, น, นรออา่างของสกปรกทำการตัดออกเพื่ารร่างของสกปรกที่ติดอยู่ในใต้เล็บนั้นออกบ้างแต่นั่นก็ยังลำบากโลกของโยมกานของเล็บนั้นไม่เล็บยาวยิ่งของเล็บหมานั่นก็แจะว่าฉลาดงาย น, นี่นตอบของสกปกถึงตายก็มีเนี่ยเล็บมันมีประโยชน์ในนั่น มันไปนิยมนเอาไว้อันยาวาแล้ายาวๆแตทาสีมีสีสันนันนะชุดตาชุดใจเพื่าพิเรนมันตื่นนะฮะพกติมันก็เฉื่อยอย่างี่มันจะนอนเม่อเราทำมันพักผ่อนนิดหน่อยตอนนั้นพิเรนประเทศหนึ่งพักผ่อนประเทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพื่อนท่านก่างพิเหลตนี้หายประเท ทิดตุนเรื่องนั้นเดื่อนี้มันเป็นท่านตลอดเวลาทันตาฟันเราขีหนาที่ฟันตามันสอาดที่ไหนมันก็ตกต้องเช้าตรองล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวันทั้งวันก็ยังต้องเช้าต้องล้างวันสองวันสามหันคำว่าฟันกับกระดูกนั่นเองคิดอะไรกักระดูกมันเป็นลักษณะเป็นก็เรียกว่าฟัน เกิดที่อยู่มันก็ปกปปกพิจารณาเห็นค่ะเพราะฉะนั้นความทุกข์มันมีอยู่กับฟันที่มันปวดฟันเปนต้นแล้ความทุกข์มากมากาที่นาเห็นความจรงข้ามาเมันต้นาที่นาลงการตมิตนเั็นนักดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงนี้เป็นทางตมิตรปันก็เป็นชื่อี่มันต้องหลุดต้องไปตกใส่อาหารที่ใครจะอยากก็ทาง ภาพมันเป็นของสะอาดของสวยงาม น, น่าดีน่าสนแล้วอาหารที่ถูกหิ้งตกลงไปถ้าเข้าเล่าสิ่งนี้มันน่ารับปรนะทนะานมากะนักผมก็เห็นได้อย่างชัดชัดเลยแต่โจรหลังเป็นของสำคัญผิวบางบางอยู่ข้างนอกไม่ได้นาเท่ากระดาษเลยเปือเครื่องหลอกตา แม้จะอย like, ู่ก็งอออกบางๆบางก็งอออกเป็นสองแสามมันก็เป็นไปด้วยมูลด้วยขี้ของมันขี่ที่งขา้ใครเใ็จนหมดมันจะต้องเช่าต้องล้างพูดถูกันหนอยป็นประโยชน์ใหญ่โตคนบ้างๆห่อคนต้องคนดีเป็นคนสัต์ดเป็นสัตเพราะอาศัยหนังตากระเพยใหญ่โตหนังนี่มรอบอยู่ในร่างกายที พอเป็นคนเป็นตัดได้ถ้าหลบหนังนี่ออกเสื้อแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมนี่ต่มแรลงวันนั่นจะบินตามพึ่นดีดินดีนดนดนดนแงรงกับแยงกับไม้พอมเห็นว่าเข้าทีแล้อาหารว่างเกิดแล้วนี่พ่อหนังก็้อปกปิดไว้หนังเป็นผู้ต้านทา น, ทานผู้รักษาแยงา่งนกาเพราะสามแมงวันว่ามาแยกเราไปเป็นอาหารว่างทั้งหมด มันก็บางๆคนนั้นพีหนาหาก็พี่นาห์ก็ไปข้างในเป็นไงพิเยิ้ไปดึงโพรงถุกน้ำเน่าน้ำหนองเป็นตรงยิ่งพี่เข้าไปข้างในอะไรเขายิ่งของเป็นของปรกูลถูกดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างก็มีหนังเดินมาหกันดูได้พี่นายเนี่ยมันเริ้มไปด้วยอะไรเราจะของกระโปรงทั้งนวลอยู่ข้างในเยิ้มมาก็ต้องเป็นของกระปกงนั้นปัญของเสือข้างนาำเยิ้มมาๆไม่ได้มันคือการพี่นาห์เรื่องปัญญาพี่นาห พอถึงกระโจแล้วตั้งกระดุกให้พอเหมาะกำงานของผู้เริ่มบุเริ่มปฏิบัติให้สมถ า, านให้งานอันเป็นหลักสําคัญบุญงานฐานะนั่นคือหลักฐานอันสําคัญกรรมะกับพลังานมันเป็นหลักสําคัญนะประจําชีวิตของข้าแล้วพิจารณาว่าหน้นนาด้นนาดนหลังบานเขาคราสนานจึงไม่ต้อง มูลค่ามูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรจากการตักดํานิดเดียว่การผลต่างๆแหลละเอียดหลละเอียดมันก็ไม่ดีอันก็ที่พิจารณามันแหลกละเอียดมันซึ้งลงไปซึ่งลนไปความซึ่งลงไปนันแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งเซ็งหลังจังก็เซ็งปฏิปูลโสครก็เซ็งทุกครั้งมาจามันก็เซ็งหนังเป็นประโยชน์ใด่โตคนจะมาหลงหนังกัน ดีนะพลิกข้างในออกมาข้างนอกนี่นะดูไหมมันดูเข้าไป อ, อลืมกันไว้ด้วยส่วนหนเอง <c oughs> เนื้อหนังเป็นเครื่องสาบทาแล้วก็ทำให้ตาพ้าตาตามองไม่เห็นทีศเห็นแดงมองม่เห็นความจริดหน้า่ิเศษปัญหาเมื่อคืนถอดตลกหนังนล้วมันจะขึ้นแรที่เศษปัญหาใกลไป ย, ยินดี ก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้น้าก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กเมืออ่อผู้ใหญ่เดิมนมา ก, กันมีใจเนื่อเยิ้มไปได้วยบุพเพโลหิตน้ำหน่าน้หนามั น, นดูกันได้นี้พกกันได้นี้น่นที่น้าผมจะทนเงเรื่องของปัญญาทา่มองงานให้ ย, ยออ่อยๆไว้ก่อนไปานการพิจารณาอสองงานก่องาน ห้าชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกัปปะิดนิสัยแต่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการสามทิศสองมื่มีสิ่งใดลี้ลับต่อก็ติปัญญาก็ได้เลยเป็นงานสาคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจเพื่อเพื่อันจําเป็นของพระแท้งานห้าชิ้นชิ้นใดประการ พิจารณาให้ทำงานอานี้เดินก็ให้เดินทำงานนนั่งก็ให้นั่งทำงานยืนนอนเล่นตลาดให้ทำงานอันนี้อยากถือสายไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นกนรารพลาดจากงานด้อยความใจลอยด้วยความประหมากเพื่ออติปัตต่างต่างหน้าทำงานเรา <c ười> ไม่หวังเอาผลประโยช์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำ นี่เท่านั้นสำหรับพระทีนเป็นน <sk cherry> ักบวชการพิจารณาในอาการใดต่านั้นมากจะมีหลอกเรื่อยๆเพราะที่เด่นมัค่ทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาขอคอคอใส่แนมันแทรกอย่ทแห่งที่หนึ่งทรกอยู่ทุกย่างในเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการดกันละความพยายามไม่มีใครเหนืองอำนาจเลา มีกิเลสเป็นเมนกันไม่มีใครเหนอำนาจมันกันมันแทรกทุกผลทุกการทุกเวลาแม้แต่ขนาดทำสมาธิตอนหนามันก็แทรกอยู่นะพอจะต่อยลาเผลอได้ไะเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครว่ากิเลสไม่โงอะไรกิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัตจักรมันเป็นยาทาของวัตถจักรมัสังสารจักมีนสามภนี้ พี่เดชเข้าอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรที่มันจะเข้าแท้เส่นกําหนดลงเส้นอน า, าปาณเก็ติรเป็นต้นกําหนดลงไว้ที่ใดก็เึ็นเห็นว่าลงสัมผัดมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเืน่อนตั้งจมูกเป็นต้นเรากําหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตู คนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปไม่กาหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เถื่อนจิดลมนั่นแหนเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้ตะล่อมกระแสเข้ามาเรวมตัวเมื่อจิตตร่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทาความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะ แตนันก็มีความสว่างสวายมีความโปร่งใสเด่นดวงเ พ, พราะกระแสของจิตัวนโจมมาแล้วด้วยอำนาจแหงอนาปาติคือลงซึ่งเรานํามาปเป็นเครื่องวิทยของใจโดยมีจิตเป็นผู้ควบคุมมาที่นี่การพิว่าให้ระวังที่เหล็กกระแทกคือว่าถ้ากําหนดเปน็นนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความนัองการขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหน ด, ด ลมที่ด้านจมูกนี่เป็นที่เหมาะสมแต่เขานานเขานานเข้าประหนึ่งว่าด้านจมูกนี้่จะสูงไปได้ต่ำลงไปมบางทีเหมือนกับไประอยกระดือึนบางทีเหมือนกับพ้นรางกายมันไปอยู่ที่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่โหเนี่ยมันร้ตั้งลมสูงไปให้ตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่ตั้งใหม่อันนี้ใช้ไหมละ่ะขอให้จับปั๊บตรงที่ทลม เพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยูสูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลม น, นี้เท่านมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทํางานไปโดยลำดับอยู่ต่ำล้วก็ทํางานกาหนดรู้อยู่อยู่สูงลมมาสูงเรากําหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็ไม่ตักนะั่นเหมือนยาหรือเหมือนชนะ ติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปชมะการติดอยู่หลังมันแล้วเยื้มกันีหมดกําลังเองลากขึ้นมากันหนึ่งเชื่อครับติดชนะอีกด้ว่อยอันนี้เหมือนกันติดเหมือนกับชนะเป็นติดนั่นทัศน์ติเหมือนกับเชื่อมัดกันไว้นั่นกับลงนนี้เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนะเรายกลมขึ้นมาพอ เป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการไหนก็ตามมันจะมีที่เลยมาหลอกมาสูงไปสั่งไปนอกไปในไปมีเราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้มาตั้งตั้งมาแล้ว่องไม่ เ, เรื่องนี้เป็ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยอมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปต้พื้นพญานาคนี่เราก็จะตามลงไปนู่นขอแต่เป็นเรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยรากฏทับทับอยู่แล้วปิดเถอะหรือมจะเหอะเหาะเดินฟ้าขึ้นไปนู่น เราไปที่นาอยู่บนฟ้าไม่ไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นหรือได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาอ่แล้วมันจะสูงจะต่ํามันรู้กันอยู่นี่ไปไหนมันข้าเสื่อมไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำางนั้นพอแก้นั่งนั่งก็ได้ความห า, ายสงสัยจับโป๊ตรงนั้นไม่ปล่อยเป็นยังไงแต่กําหนดมันไม่ถอยไปตรงธี่จิตมันกระจายประจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้ า, าเกิาาดความ อ, อศัศจรณฑ์ ร่างกายเห็นเห็นไม่ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเองก็ดูคำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ในหมายถึงว่าจะต้องไปนับเพ่นนับเด่นนับอะไรคือมันประจับร่างกายส่วนต่างประจับภายในใจหยุดเด่นเกิดความซาบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันคือกันกับความหมายเห็นเห็นด้วยความหมายเป็นยัเห็นด้วยความจริงเป็นยังไงที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกก็เป็นความหมายไว้ก่อนตั้ง หมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดเนื้อตรงไหนกําหนดตรงนั่งก็ก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นทัญญาเขถูกพอจับมันแม่มนยำเข้าไปโดยลำดับลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะศิลป์หลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนะไปพิจารณาจนกระทั่งกระจายไว้หมดตอนนั่งพิจตอนพิจารณาร่างกายนั้งมันไม่ทั้งครั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งครั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการใดคำหนึ่งของร่างกาย แต่ขนาดนั้นร่างกายมันตอบสนองว่าหายลืมเลือลื ม, ล ม, ลมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กําหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกเต้งให้จำเอาไว้นะปฏิบัติขึ้นมาอย่าไปกําหนดเรื่อยกำหนดเล่าอนันไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายแลยไม่มีทางขึ้นนอกจากมีทางตายหลังเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้ไจับจิตขึ้นมา <c oughs> ลมว่าเอากำนวดทํารู้อยู่ลมลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปให้รู้ว่าละเอียดลงไป<ม>จนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้รู้ปฏิบัติกําหนลดลมเวลามันอยา ก, กรู้ไม่ยอมเผลอเลื่อยเลื่อยไปที่ลมความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆนล้วจนหายเงยบไปเลยมีอันหนึ่งที่เลยจะมาหลอกตรงนี้ พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขนาดนั้นกําลังที่จะนาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปพอเราเบาไปละเอียดเท่าไรนั่นก็เห็นกระจัดที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกบางทมันจะไม่ทับมีตรงนี้แหละตร ง, ตรงที่เหลืยจะหลอกสัวของขนมาอ้าวกลัวลมหมดไปแล้วมันก็ไม่ตาเหลือนั่งที่ตกใจนะตกใจนี่เหมือนกับว่าไปเขย่าจิต ด, ดวงที่กําลังละเอียดเพราะอํนนานาจแห่งลม เอียดและและมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาด้วยเลือดก็เป็นปกติและลมก็เลยมีตากฏขึ้นมาเฮี้ยการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดมัหันไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเพราะนั้นไม่เลยจากนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องครอบรัด้วยอุปสรรคขีดขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันนะ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 นี่เป็นความคิดในแั่ผู้พิจารณาเป็นแบบนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วระงับใจไปมันไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นหลักต้นซะก่อนมันต่อมามันกาศารมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกาหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็นี้เอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมดนั่กระตัดถึงใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหานเงียบอีบเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลย สิงที่มหาคือ ค, อความรู้เลือดตาจิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเลือดตาจิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้มีอะไรจะเทียงไปเจียงไม่ได้เลือดตาจิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะครุรงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดเดือดาขาดนะความขาดตามระเนตามไม่ได้นะับผิเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกระเท่จังท่าปฏิบัติการเอาไปปฏิบัติตเนี่ย ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนึ่งเป็นภาพปฏิบัติตรงนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังในภาพปฏิบัติอย่าไปคาดเป็หมายแม้ขณะที่ทำความเพียรที่จะเล่นมาตายให้สิ้เป็นต้นหนึ่งนะอย่าไปคาดเป็หมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปตุมไปแจงเป็นทขยาลงขึ้นหมายจะเป็นเรื่องหลอกตัวเองหาผลไประโยไม่ได้ตลอดไปต้องหาเป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนการกระท่านหรือไม่เหมือนกันพระพวกคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบมาเป็นของเรา ไม่ใช e kind of ่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นเพียงนี้เกิดสมบัติของเราเองมี้อเรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาท่านเราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้คือมันการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของยาวเอาไปวาดไปเทียบไปเทียบกับของคนอื่นจะเป็นการแกล้งเกลือและทำลายสมบัติทั้งตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคันมาก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 จะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมสถาธิถึงการค้นทางด้านปัญญาเราให้ค้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำจริงกําหนดอันไหนให้รู้อันนั้นที่แยกอะไรให้เห็นชัดเจนเนด้วการแยกการแยกให้จิตทำหน้าที่แบบนั้นอยาส่งไปที่ไหนจะไปฆ่าไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ที่ตรงนั้นนี่ชื่อว่าตั้งหน้าตัญญางตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปฆ่าไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแทกที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปฆ่าเสียเวลาความข้ามหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทําลาย งานต้อเราให้เสียไปขนาดนั้นม <c oughs> ีเด็ดพิจารณามาแล้วจึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความร้นเร้าพิจารณามาแล้วทุกอยาก่างในบรรดาที่นํามาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจคำไมม่ผิเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันนี้นเพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอยากทําทอย่างนั้นมันผิด สิ่งที่ถูกก็เป็นคุยกันให้ทําอย่างนี้ถูกได้เกิดปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาฐานทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากท่าปฏิบัติเราเองพะนั้นการท่าการหมายจริงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ใจอย่างใด น, นอกจากม า, ารบพรวา ง, งของเราหรือทํางานงเรให้เสียไปทาหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองกิติปัญญาไม่ได้งดงกิตลอดเวลานะให้พาเข้าใจ ถึงเวลาเตจนตอบเป็นมุนมันเป็นสํามผ่านมาสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตยินปโนนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเป็นเราคนเดียวตอมนี้ตาเขาเราคนเดียวนี่แก้ที่เดชจจให้การมาแก้ให้เราเราต้องแก้เมันติดที่ตรงไหนเวลนี้หิุดไม่ได้หมุนจิ้วจิ้วเข้าไปเอาทุกเวทน า, ากน็เกิดเกิดทะเลี่ยมหมุนกันถ้าเราเราจะหลังให้ลูกแก้เราจะทำจริงต้องเป็นความหมุนจิ้วเข้าไปไม่ใสหลังแล้วมันก็ลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นม า, นม า, นมาด้วยความจริงนี้มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงดืมด้วยนะ การรู้เรา่องความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้เป็อย่างข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าพยายามโตปัญหากันพระอาจรท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหรอรู้ในสิ่งที่คนรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจําได้หมดเหรอท่านจาอะไรได้หมดเหรอถ้ามีวันหลงเดือยท่านมีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไง อริยสัจเจติมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกมันมีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกจะไมมีภายในใจทุกมันมีอยู่ในร่างกายเหนอย่างทับเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหน่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายนี่ให้เป็นให้นทุกแม้สมุทัยในจิตทั้งท่านไม่มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่เกิดความทุกข์ เช่นกินของแฉลงอะไรบินผ้าอากาศไม่เหมาะสมการสั่ร่างกายกระทบบินผ้าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทรไทยเพราะไม่ใช่ี่เลยแต่เราพูดอนี้พูดออกมาเทียบเท่าเฉยๆว่าสมุทรไทยของธาตุสังว่รนั่นว่าไปสูง ค, คือสาเหตุคุณยัง่งแปลมาว่าสมุทรไทยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้ น, นอย่างทุกข์มันจะเกิดทุกในร่างกายได้อย่างไรเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้างปวดหองมันต้องมีสีแฉลง คิงมันก็เท่ากระเทือนอันเป็นสาเหตุคิงเรียกว่าสมุนไพของร่างกายต้มีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุนไพรแบบที่เละเราทันของแสดงนี่รับทานของสแองสงแต่โลกไปนี่โลกก็เลอะเอ๊ะมันนี่โลกเป็นโลกเพราะทานนั้นไงมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุนไพรเป็นสาเหตุเกิดมากดับทุกข์รู้อะไรเหล้อไม่มีทุกข <c oughs> ์กอะไรอเหลือเนี่ยจะไปทำทุสี่ หนจท่านไม่มีวันลืมบางนั่นเลยพนักงาสนี่นนละติไม่ลืมคือรู้คาจริงเป็นที่แล้ไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้ขอนนนนงนั่งกลงลืมํานั่งจำนี่จำสื่อจำเสียงจำํำหนักํานาคางถามบน น, มนังบนนี่มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปสัญญาณนิจจา ก, กันสัญญาณวาสาว น, นาทีมือสติเนี่ยมีบอกเรืด้วยลงลืมเรื่องของจังเรื่องัต า, า, านั่งนขันมันเป็นอ่าน้โลกไหน ขันพระนันท์กโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดําเนินไปทางสายเดียวกันเรียนการตรังกัตตาครอบถึตลอดเวลาเหมือนกันหมดวันที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์พังจิตอันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงทึงยกอะกุปตะธรรมคงเส้นคงวาทุกเวทุนาไม่มีในจิตของพระนันท์ตั้งแั่ที่เรดับลงไปแล้วทุกไม่มีท่าไม่มีเหตนาตระมังสุขขังที่ว่านี้ภาณังประมังสุขขั ง, ง, ง, ขขงอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติ รูปภาพิที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทน า, นามีเกิดมีดับอืมมีความินดีมีร้ายในสิ่งต่างๆก็เกิดความสุขความทุก่มขึ้นมาภายในใจมีเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุยื่อสาคัญนด้จะวิชาหมดแล้วตั้งแต่ขนาดนั้นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือ เวทนาในร่างกายมันเป็นเรื่อมาเหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้ดเหมือนโลกนี่อานิจังรูปังอิจังเวทนานิานานนานาาจาังัญญาอานังตั้งขาราจานิยานิจังเหมือนกันหมด<ะ>แต่จิตที่บริสุทธิ์โดยจิดตั้งอา น, นิจังไม่มาก็อาการอกากกของสิตเมียอานิจังทุกังสัสนี่อาการจิตเคลื่อนแสดงมาเป็นขันธ์รูปความตูมความแตกสังขารขันธ์ิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสี้ยนความตูมความแตกมันไม่ใช่ แต่มันอาศัจิตเกิดขึ้นก็ได้ว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นกิเ็สถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทํางานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลงจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากเพราะเ้าลงจิตเขาเดือดร้อนรุนแรงและความาาทุก ข, กขก์สั่งสายภายในจิตใจเป็นหาสติจดจำไม่ได้เพราะทุกเวทนามากครอบงนจิตจนไม่มีสติจิตตัวเป็นคนไข้ที่ยัมีสติตั้งต้นทิ่งเนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็ไม่ มีพระทุกโฆษณาที่มันเหนียมนานมากถ้าติดที่เป็นครับของตัวไม่มีพระทหานท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงกัรนั้นแล้วคือว่าออพ้อนพ้นภัยนี่คือเรื่องสมมุติทั้งหมดมันเป็นไผ่พ้นไผ่ในะคือว่าพ้นจากสมมุตินะโดยโดยที่ไม่มีได้ เ, เหลืออยู่กับติดแม้นี้เรียกว่าปรมาลุ่มไม่มีเลยอย่าเดียวบริสุทธิ์มาถึงบริสุทธิ์แล้วแบอยู่ทตามธรรมชาติความบริสมมุทธิ์ที่ก่อน การจะยังอยู่กับใช้กันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมืจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับทางการกม็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายแล้วไม่มีส่วนเสียอะไรจกาก ร, ร่างกายมันทนได้ไว้ไม่สาระแต่ก็ไปตามสภาพของมันที่เป็ น, น, ก, น, นการสถานร่างาซึ่งเป็นสมมุติธรรมชาติที่มันจะสมมุติเราให้ชื่อท้าพบีคือวมิมุตต์ก็อยู่การแบบธรรมชาตินวิมุตต์ของตนแต่ไม่จะอยู่แบบสมมุติท้างหลายเพราะฉะนั้นึงวิพันธ์มีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ ถ้าพูดมันสมมุติเขาไปทับกันมีอยู่มีอยู่แบบโรกก็ไม่ถูกศูนย์ไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนี้ผานศูงไปแบบนี้ผ่าน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกสมมุติก็ต้องในคว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั ok. ้นมีอยู่แบบนี้ผ่าอนมีอยู่แบบนิมมุติศูนย์ก็ศูนย์แบบนิมมุติไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโลกสมมติฐานเขาศูนย์ศูนย์นั่นคือศูนย์ความที่หายผลปิาศูนย์มีอยู่ก็มี ตั้งโดอยนั้ยูี้อันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นเนี่ยนิพานจะเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเป็นเมืองก็เป็นสมมุตินี่เหมือบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพานอย่างนแหละแต่ใครจะไปกล้าตั้งชือว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงรานบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพานนอกสมมติไปแล้วตึรามบ้านช่องอนนี้มันเป็นโลกสมมติทั้งหมดหาที่มาตงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเลยนี่เหมือนไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสนา ปราทอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากทูล ถ, ถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าอะไรก็รับสั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นไม่เป็นอย่างนั้นจะไปทูล ถ, ถามท่านทำไ ม, มของอเดียวกันรู้อยู่ด้วยการถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่ า, งสงสานได้ถามของสงสัยท่าได้ถามนี่ไม่ได้สงสยัยนี่รู้อย่างเต็มหัวใจและเป็นธรรมชาติอยางเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวว่านับผิดไอยู่ว่าป่าปราโย พระอรหันตั้งแต่ว่าพระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงชาว อ, องค์สุดท้ายไม่มีความยิ่หย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นๆนอกจากอํา น, นาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกยอดหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีระดับต่ำสูงต่า ง, างกาันจึงเลยต้องอตั้งเอกราชส่งตังต้งราคาให้ชาวอทั้งหลายแตกต่างกาันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากเขายก น, า น, นั้นให้ผู้นั้นเช่ยนภาษาไดบูตร เป็นผู้มีปัญญาเฉียวขาดเที่ยวทาญ ม, มากขนาดปัญญาขอยกเศษรื่ที่เนผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยเขาบอกคณานของคนเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี่ขอยกให้เพราะเด่นกับาเพื่อนนอกนั้นี น, น, น, น, นก็มีนี่แต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าปัญญาเฉลียวลาดยกให้องค์นี้เป็นเอกลัคือเลือดในทางนี้สี น, ะ ก, นกสะการแสดงธรรมกอยกพระธรรมคุณมันนะาตาม เป็นธรรมะสุดเอกท่านเด น, นั้นก็นเทพเจงเราเนั้นเราเนี่ยก็เทพเจงเหมือนกันตแต่มันมีข้อเด่นกว่า น, นตรงไหนก็นยก น, นั้นแหละนี่ตามงเราน้า ล, าลัศน์ของท่านความรู้สุกนั่นเหมือนกันนี่เราพูดนี้ความรู้นี้แ่แหละฟางหนึ่งนี่แหละที่จะเป็นความบริู้สึ์ก็คือผู้นี้ เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไหนที่อื่นใดนอกจากครูรู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานพอที่เรศก็หุ่มหมอดิในสิ่ตัวนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวอเพระทั้นตรัสให้แก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือกันสมยสัยคือมชัชฌนาปจิตทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงปรจากษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการประสานที่ใดมาเป็นเจ้าหน้ารัษนะบางคนตี่บังครับขั้นกลางมาเราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิปัจท์ขงเราที่เลศ ถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้หรือตรงนี้ออ้อเป็นอย่างนี้เหรือความไริสุดอ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพานนี่สมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรืออนิมมติเป็นอย่างนี้เหรือนี่มันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอาฝันไปที่ถ้าเราจะได้ของอุศมะคลองหรือเราจะแบบมันจะขี่หามจะขี่เหอ ถีโรคขี่โปรธีโหงขี่เกลียดขี้ค้างอ่อนแอนที่แยมันจะขี้เต็มตัวเลยมันมิเศษไหมล่ะม่นถ้าวิเศษโลกมันีวิเศษไปหมดนะมันต้องถามของวิเศษหน่อยแต่นี้อันนี้มันไม่วิเศษที่มันตะวันขี้กีไหมอ่านธรรมญาอธิบาย